ทรงอนุญาตภิกษุให้เก็บจีวรไว้ในละแวกบ้านลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนาปา่าเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้สมัยนั้นพวกภิกษุทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ผู้อยู่ในเสนาสนะป่าเก็บไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในระแวกบ้านได้จึงเก็บไตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในระแวกบ้านอยู่ปราดเกินหคืนจีวรเหล่านั้นสูญหายบ้างฉิบหายบ้างถูกไฟไหม้บ้างถูกหนูกัดบ้างภิกษุเหล่านั้นมีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าเห็นได้พวกท่านมีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆ ทีนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัภิกษุทั้งหลายจึงเก็บไพรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในระแวกบ้านแล้วอยู่ปราดเกินหกคืนเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนาเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ